ไม่กี่จังหวัดนะแต่ว่าก็สร้างความสะเทือนขวัญแล้วก็ส่งผลกระทบมากเลยจริงเหตุการณ์ีมก็เกิดขึ้นทั้งโลกกันนะอไม่ใช่เกิดขึ้นทั้งโลกเกิดขึ้นทั้งทวีปเลยนะอินโดนีเซียมาเลเซียไทยพมา่ลาลังไกอินเดียก็โดนไปตายไปห้าหมื่นคนไนดะ้มั้งเกือบแสนเฉพาะประเทศเราก็ตายไปห้าพันคน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 บางคนไหวได้น้อยก็ตีสองตีสามชีวิตที่มันสุขเหลือเกินโลกนี้มันงดงามเหลือเกินนะในความรู้สึกของผู้คนในวันนั้นแต่ไม่กี่ชั่วโมงต่อมานี่สวรรค์มันกลายเป็นเอวีจีเลยนะครื่นเซนม์เนมมันซัดเข้ามานี่มันมาแบบเหมือนกับเรียกว่านรกเปิดเลยนะก็ตายกันเป็นเบือ่อ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 การคมนาคมหรือว่าการติดต่อสื่อสารมันตัดขาดหมดนะติดต่อทางโทรศัพท์มือถือไม่ได้เลยเพราะว่าไอ้เสาสัญญาณโทรศัพท์มันพังพินาศหมดก็มีแต่คนที่ภูเก็ตพังงานนะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะที่เหลือไม่รู้เกิดอะไรก็ยังเที่ยวกันหลายคนก็ <c oughs> ตายกันยกครัวส่วนใหญ่ก็เป็นคนมีเงินนะมาเที่ยวเขาหลักเที่ยวภูเก็ตนะ ก็ได้รับความสุขความสำราญแต่ไม่คิดว่าหลังจากนั้นไม่นานไม่กี่ชั่วโมงก็ก็ตายแบบบางทีมันก็ศบร้ญาติเลยหาศพไม่เจอแล้วก็ตายก็แบบอนเนกอานาถมากนะบางทีก็ล่างก็ถูกเคลื่อนไปซัดกับไปฝ้ายกับต้นไม้ไปฝ้ายกับก้อนหินไปฝ้ายกับตึกตายอยู่มาอย่าง ร่ำรวยมั่งมีสิ้สุขแต่ว่าเวลาตายมันตายแบบอันเด็ดอันหน า, นาไม่ว่าจะรวยหรือจนนะก็ตายเหมือนกันในวันนั้นนะมันก็ช่วยให้ปรงองนิดจังนะว่าชีวิตนี้มันไม่เที่ยงความตายสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาความหพยนณะเกิดขึ้นได้ทุกขณะดดังที่มองในแง่นี้มันก็เตือนให้เกิดความไม่ประมาทนะในชีวิตบางคนก็นอนตาย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 ไปคลุกอยู่ที่วัดยันยาวทําการพิรสูจน์ศพว่าเป็นใครศพนี่มันก็เป็นเดือนมันก็เหม็นนะก็อยู่ความเหม็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายโดยเฉพาะวัยรุ่นหนุ่มสาวนี่เห็นแล้วก็ไปเห็นเขาก็ก็สัน่านับถือบางคนก็เสียดายที่ไม่ได้มาช่วยเท่าไหร่นะบางคนก็ดีใจนะที่ได้มีส่วนช่วยคนละไม้คนละมือ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 คนหลังที่มาก็ประทับใจนะอย่างบางคนนี่ตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่สิบปีที่แล้วนะอายุสิบขวบตอนนี้สิบยี่สิบแล้วก็มาตามหามาตามหาคนไทยที่ช่วยเหลือเขาอย่างที่เป็นข่าวตามหาทาง f a c e b o o k ออกประกาศทาง Facebook แค่วันสองวันก็พบแล้วนะอันนี้ก็เป็นด้านดีของของวิกฤตนะในวิกฤตก็มีโอกาสที่ทำให้เราได้เห็นคุณงามความดีของมนุษย์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 มันจะเป็นวันตายของเขาหรืออาจจะรวมถึงเราก็ได้มันไม่แน่นะเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งจิจในความไม่ประมาทแล้วก็พยายามทำความดีนะสะสมบุญกุศลเอาไว้จะได้เป็นที่พึ่งได้ในยามที่ใกล้สิ้นชีวิตอาแล้วก็เตรียมรับพร